วิธีขอวุฒาปนาสมมุติและกรรมวาจาให้วุฒาปนาสมมุติภิกษุณีผู้มีพรรษาครบ12นั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ห่มอุตราสงฆ์เฉียงบ่าข้างหนึ่งปราบเท้าภิกษุณีผู้แก่พรรษาแล้วนั่ ง, รงประยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าแม่เจ้าดิฉันมีชื่อนี้มีพรรษาครบส2องแล้วขอวุฒาปณสมุติต่อสงฆ์พึงขอแม้ครั้งที่สองพึงขอแม้ครั้งที่สาม ภิกษุณีนั้นสงพึงกําหนดได้ว่าภิกษุณีนี้เป็นคนฉลาดมีความละอายถ้าเธอเขาไม่มีความละอายก็ไม่ควรให้วุฒาปนะสมมุติถ้าเธอเขาแต่มีความละอายก็ไม่ควรให้ถ้าเป็นคนฉลาดแต่ไม่มีความละอายก็ไม่ควรให้แต่ถ้าเป็นทั้งคนฉลาดและมีความละอายจึงควรให้ภิกษุทั้งหลายสงพึงให้วุฒาปะนะสมมติอย่างนี้ ภิกษุณีผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงสารด้วยยติทุติยกรรมวาจาว่า 1,141 แม่เจ้าขอสงจงฟังข้าพเจ้าภิกษุณีนี้มีปัญษาครบ12แล้วขอวุ ธ, ธาปณะสมมุติต่อสงถ้าสงพร้อมแล้วพึงให้วุ ธ, ธาปณะสมมติแก่ภิกษุณีเชื่อนี้ผู้มีปัญษาครบ12แล้วนี่เป็นยติแม่เจ้าขอสงจงฟังข้าพเจ้า ภิกษุณีนี้มีพรรษาครบ12แล้วขอวุฒาปณสมุติต่อสงฆ์สงให้วุฒาปณสมุติแก่ภิกษุณีชื่อนี้ผูม้มีพรรษาครบ12แล้วแม่เจ้ารูปใดเห็นด้วยกับการให้วุฒาปณสมุติแก่ภิกษุณีชื่อนี้ผู้มีพรรษาครบ12แล้วแม่เจ้ารูปนั้นพึงนิ่งแม่เจ้ารูปใดไม่เห็นด้วยแม่เจ้ารูปนั้นพึงทักท้วงวุฒาปณสมุติสง์ ให้แล้วแก่ภิกษุณีชื่อนี้ผู้มีพรรษาครบสิบสองแล้วสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้ครั้นพระผู้มีพระภาคทรงตำหนิภิกษุณีเหล่านั้นโดยประการต่างๆแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุณีทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้